พระธรรมเทศนาของหลวงภูเขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องอนิสง์ของการบวช การบวชเมื่อสรุปแล้วมีอยู่สองประการคือ 1. การบวชเล่นหรือการบวตตามประเพณีมีอานิสงส์น้อย 2. การบวตจริงเช่นการบวต ด, ด้วยความศรัทธาการบวชหนีวตะสงสารมีอานิสงส์มากจนสามารถถอนภพชาติไม่มีเหลือ การบวชคือการทุบชีวิตเก่าให้เป็นชีวิตใหม่การบวชคือการชำระล้างความชั่วให้เป็นคนดีการบวชคือการเปลี่ยนสังคมมนุษย์ให้เจริญและก้าวหน้ามีความสงบสุขการบวชคือการทดแทนนี้เก่าอันมหาศารอันบุคคลทั้งหลายไม่สามารถที่จะชดใช้ให้หมดไปได้ ตัสมารปรับพัดชังวิโสทะเยเพราะเหตุนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสันเริญว่าการบวชเป็นยอดพระบารมีมีธรรมทั้งหลายอันวิเศษสามารถดับเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสให้หมดไปการบวชคือการช่วยเหลือมนุษย์ที่หลงตกหลุมฐานเพลิงและกองทุกข์อันแสนที่จะร่ารรอนเจ็บปวด แสนสาหัสให้ขึ้นมาได้โดยความปลอดภัยดังนั้นพวกเธอทั้งหลายจงยินดีในการเสียสละชีวิตค า, ารวะมาบวชบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่าให้เสียผลที่มุ่งมาอย่าบวชเล่นบวชหัวบวชฉลักบวชลีบวชขี้สายฐานองเล็บเปิด ซ่วมองเล็บปิดบวชพรานข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนขาดทุนนะไม่ดีเป็นบาปกูโซะยถาทุกขะฮิโต้ยาคาย่อมบาดมือคนกรรมไม่แน่นฉันใดบรรพชิตคือนักบวชมาเหยียบย่ำคำพีวินยัยไม่เอาใจใส่ศึกษาและตั้งใจปฏิบัติ ตามทมคำสั่งสอนของศาสนาเขาเหล่านั้นย่อมไปตกนรกผ้ากาสาวพัดเหลืองอลามงามตาก็ไม่กล้าสามารถจะรับรองพวกท่านทั้งหลายมิให้ตกนรกได้ความชั่วเปรียบเหมือนอุจละภาชนะที่รับรองถึงจะเป็นเนื้อทองก็ไม่พ้นความหม่นมองฉะนั้น การบวชต้องอาศัยสิ่งสำคัญสองอย่างคือปวดกายหนึ่งวดใจหนึ่งคือบวชทั้งกายทั้งใจได้ชื่อว่าพระคือประเสริฐหรือสมณะแปลว่าผู้สงบผู้สงบคือผู้ชนะผู้ใดละผู้นั้นร่ำรวยร่ำรวยอะไรเล่ารวยอริยทรัพย์นาสีอริยทรัพย์ คือทรัพย์ภายในได้แก่บุญกุศลผู้บริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์แล้วโบราณว่ากินไม่บกจกไม่ลงคือกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่มีพร่องไม่มีขาดมีเขินจเจริญอยู่ทุกเมื่อ